รับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราเองให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระยะหนึ่งเสียก่อนการเจริญสติการเจริญสมาธิการสร้างสติสร้างสมาธิให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเรานั่งตามสบายวางกายของเราให้สบายวางใจของเราให้สบาย ถ้าใจของเรายังนึกคิดปรุงแต่งอยู่เราก็พยายามหยุดดับความกังวลดับความฟุ้งซ่านต่างๆออกไปให้หมดลองสูตรลมหายใจเข้าไปยาวๆดึกด๊กๆให้ทั่วท้องแล้วก็ผ่อนออกมายาวๆสักสองถึงสามเที่ยวกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นใจของเราก็สงบนิ่งขึ้น ความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเรานี้แหละให้เราสร้างความรู้สึกตัวตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นการย้ำเป็นการเตือนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าได้เจริญสติให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังพยายามฝึกฝนให้เกิดความเคยชินทุกอิริยาบถ พอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวสติก็ตั้งมั่นขึ้นอยู่กับปัจจุบันมีวอนความเกลียดคร้านก็คลายลงไปสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตจะทําอะไรจิตของเราก็ยังปกติอยู่สติก็จะพากายลุกยืนเดินนั่งนอน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 พวกเราก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยที่พวกเรายังไม่รู้ว่าได้ปฏิบัติธรรมมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขได้รับการศึกษาได้รับการเล่าเรียนรู้จักบาปปุลคุณโทษมีความเสียสละรู้จักความรับผิดชอบ บางคนบางท่านก็สร้างอ น, นิสงมาดีเกิดมาในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิฝักใฝ่ในบุญในกุศลสมมติก็ไม่ได้เดือดร้อนได้รับการศึกษาได้รับการเล่าเรียนอันนี้สร้างบุญสร้างอ น, นิสงมาดีบุญอยู่ปัจจุบันเราก็ได้มาเพิ่มมาเสริมมาเติมมาแต่งสร้างขึ้นมาอีก ทั้งทางด้านสติด้านปัญญาทางด้านศรัทธาน้อมกายน้อมใจของเราเข้ามาเชื่อมั่นในขุนพระรัตนตรยัยเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็มาทําความเข้าใจสร้างขึ้นให้มีให้เกิดขึ้นในใจของเราการเจริญสติลักษณะของสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่า เราจะไปนึกไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรความหมายเป็นอย่างไรการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรการควบคุมจิตของเราเราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหน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 ถ้ากำลังสติหรือว่าความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็รู้จักควบคุมเอาไว้ควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ถ้าเรามันสังเกตมันควบคุมมันวิเคราะห์อยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆเราก็จะเห็นชัดเจน รู้จิตชัดเจนรู้ความคิดชัดเจนถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เมื่อไรเราตามทําความเข้าใจเราก็จะรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหานี่แหละเขาเรียกว่ารอบรู้ในโลกโลกภายในของเราส่วนมากเราจะไปรอบรู้ตั้งแต่โลกภายนอก โลกธรรมภายนอกซึ่งจิตก็ส่งออกไปภายนอกตลอดเวลาในหลักธรรมนั้นถ้าให้จิตรับรู้ชราระสารสางกิเลสออกจากใจของเราตามสภาวะเดิมจิตของทุกคนนั้นสะอาดไม่มีกิเลสกิเลสนี้มีมาทีหลังเพราะว่าโมหะความหลงความไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติกี่กับ กี่การที่หลงวนเวียนไหว้ตายเกิดอยู่นี้เราต้องทําความเข้าใจกับวิบากกรรมเสียกรรมอาการของขันห่านนั่นแหละคือตัวกรรมมาปรุงแต่งจิตของเราให้ได้หลงอยู่หมุนเป็นวงกลมอยู่ถ้าเราแยกได้เมื่อไรเราก็ตัดวงกลมเหมือนกับไปตัดวงกลมตามทําความเข้าใจแล้วก็ละกรรม กรรมเก่าก็ตามไม่ทันกรรมใหม่กรรมอยู่ปัจจุบันคือการกระทําเราก็สร้างแต่กุศลกรรมสูงขึ้นไปเราก็ไม่ยึดสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็จะอยู่เหนือกรรมเหนือบุญเหนือบาปและอกุศลเจริญกุศลแต่ไม่ยึดเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลากายก็เป็นบุญวาจา ก, ก็เป็นบุญ ใจก็เป็นบุญอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญถ้าใจของเราเป็นบุญแล้วรู้จักสร้างอนิสงส์สร้างตะบะบารมีให้แก่กล้าศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมความขยันหมั่นเพียรของเราเต็มเปี่ยมมีสัจจการกับตัวเราเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมองโลกในทางที่ดีคิดดีขยันหมั่นเพียร ทั้งภาราหน้าที่สมมุติตา่างๆทำความเข้าใจกับสมมุติอยู่กับสมมุติไม่ให้สมมุติเข้าครอบงำอยู่อย่างอยู่ดีมีความสุขกายของเรานี้แหละก้อนสมมุติไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนหรอกกายของเรานี้แหละก้อนธรรมกายของเรานี้แหละก้อนบุญก้อนกรรมการได้ศึกษาได้เล่าเรียนการได้อ่าน การได้ฟังทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมอันนั้นเป็นแค่เพียงแผนที่ชี้แนะแนวทางให้เราต้องพยายามเดินเดินในที่นี้หมายถึงการสร้างสติสร้างปัญญาปัญญาน้อมเข้าไปสํารวจตรวจตราดูจิตของเรารู้กายรู้จิตรู้จักทําความเข้าใจสํารวจกายของเราทําหน้าที่อย่างไร ทวารทั้งหทําหน้าที่อย่างไรถ้าเราหมั่นวิเคราะห์ตัวเองเราจะสนุกสนุกในการสํารวจในการทําความเข้าใจยิ่งเราแยกรูปแยกนามได้เมื่อไหร่ยิ่งจะสนุกใหญ่ทําไมถึงว่าสนุกเพราะว่าเรารู้เท่าทันกิเลสกิเลสตัวไหนมันจะมาหลอกเราความโลภ ค, ความโกรธความทะเยอะทะยานอยาก ความยินดียินร้ายต่างๆกิเลสหยาบกิเลสละเอียดมันจะมาหลอกเราในลักษณะอย่างไรถ้าเราพลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่พลั้งเผลอเราก็เริ่มใหม่อย่าไปปิดกั้นตนเองเด็ดขาดพยายามให้กำลังใจตลอดเวลาขยันหมั่นเพียรสาสางให้เรียบร้อยเสียขณะที่เรายังมีกำลังอยู่ อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งการศึกษาการค้นคว้าการสํารวจการทําความเข้าใจการเจริญรักษาศีลการเจริญสติการเจริญสมาธิความหมายก็อยู่ที่เพื่อที่จะละกิเลสขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราให้หมดถึงจะคล่ําเคร่ ง, งมากมายถึงขนาดไหนเราก็พยายามละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมด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 แล้วได้สร้างความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังเราพลั้งเผลอไปสักกี่เที่ยวส่วนมากจะไม่ค่อยได้สร้างกันจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวมันก็เลยกระโดดข้ามฐานภายในของจิตไปเสียบางทีปัญญาก็เกิดจากจิตเกิดจากขันห้าซึ่งเขารวมกันไปบางทีก็เกิดจากจิตของเราโดยตรงที่ส่งออกไป อาจจะถูกต้องอยู่ในวระดับของสมมุติแต่แนวระดับของมิมุตแล้วเราต้องแยกต้องคลายต้องทำความเข้าใจแล้วก็ละชำระสารสารกิเลสออกจากจิตจากใจให้มันหมดปัญญาฝ่ายเกิดฝ่ายละฝ่ายดับฝ่ายทำความเข้าใจฝ่ายเอาไปใช้เ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลารูป รสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราอยู่ในอิริยาบถไหนเราก็จะได้ฟังธรรมเพราะว่าเราทํากายของเราให้เป็นวัดเสียแล้วทําใจของเราให้เป็นพระเสียแล้วอยู่ไร่อยู่ น, นาอยู่ที่ทําการทํางานเราก็จะได้ฟังธรรมเอาการงานเป็นการปฏิบัติธรรมทํางานไปด้วย ละนิวรณ์ไปด้วยละความเกียตครั้นไปด้วยสร้างความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ให้มากๆใจของเราก็ได้พักผ่อนขณะที่ทำการทำงานก็พยายามกันไม่ว่าพระว่ายมว่าชีก็พิจารณาเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกคนมีจิตมีวิญญาณมีกายเนื้อเหมือนกันหมดเดินในทางเส้นเดียวกัน แต่จะถึงเช้าหรือถึงเร็วเท่านั้นเองบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปบังคับเขี้ยวเข็นไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นไปนตามกฎของเขาขอให้เราสร้างบารมีให้เพียงพอสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาเจริญสติกำลังสติของเรามีเพียงพอเราก็คงจะแยกรูปแยกนามได้ เราจะไปเร่งทำด้วยความทะเยอทะยานอยากที่เกิดจากกิเลสไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้วันแรกเราจะเร่งให้เขาออกดอกออกผลเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้เราต้องหมั่นรดน้ำหมั่นดูแลหมั่นพลวนดินดูแลรักษาเขาให้ดีเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะออกดอกออกผลให้เรา เราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลก็ต้องได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามมันสำรวจมันตรวจตรามันแก้ไขมันปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทั้งภาระหน้าที่สมมติถ้าสมมุติของเรายังเดือดร้อนอยู่มันก็ยากที่จะฝึกหัดปฏิบัติจิตได้ไหนไกลก็หิวไหนครอบครัวก็ลำบาก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 แล้วก็ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียถ้าจิตของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเขาไม่เอาหรอกทุกแม้ตั้งแต่การเกิดเขาก็ไม่เอาจิตส่งออกไปข้างนอกเขาเรียกว่าจิตเกิดมันก็จะเข้าสู่หลักของอริยสัจสมุ ท, ทยัยมีโลดการดับการทำความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญามักก็จะตามมา มันก็ไม่เหลือวิสัยหลอกบุคคลที่มีสติมีปัญญาฟังนิดเดียวรู้แนวทางแล้วแล้วเร่งทาความเพียรการสร้างสติที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้เรารู้ไม่ทันการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันห้าเราก็ใช้สมถะเข้าไปดับเริ่มใหม่เริ่มสังเกตตัวใหม่ที่จะเข้ามาสังเกตไม่ทัน เราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเอาไว้จนกว่าจะแยกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้พอเปิดทางให้เมื่อไหร่กาลังสติของเราก็ต้องตามทำความเข้าใจทุกวิถีทางถ้าเราไปปล่อยปะละเลยเขาก็จะซึมสู่สภาพเดิมอีกนั่นแหละเราต้องพยายามสร้างความเป็นกลาง คือความว่างให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราความว่างความเป็นกลางนั้นแหละคือองค์ธรรมนั่นแหละคือทางเครื่องตัดสินไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นเราก็จะมองเห็นความถูกต้องตราบใดที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้จิตของเราก็ยังอยู่ในกองกุศลอย่าพยายามทิ้งกองกุศล พยายามสร้างกองกุศลเอาไว้คือสร้างบุญเอาไว้บุญก็จะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องนําพาเป็นอุคนิมิตของทุกคนถึงจิตจะหลุดพ้นถึงจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่า น, ป ร, นประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้า เอาประโยชน์ในโลกปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเราทําปัจจุบันมาดีอนาคตก็จะออกมาดีถ้าเราอยากจะรู้ตัวเราดีเราก็พยายามสํารวจดูอดีตว่าเราทําอะไรถึงส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบันเราทําอย่างไรก็จะส่งผลถึงอนาคตพยายามละอกุศลแล้วก็จเจริญกุศลให้มากๆให้ได้ครบทุกอย่างทั้งการจเจริญสติ การเจริญสมาธิการรักษาศีลการทำความเข้าใจเรารักษาศีลไปเพื่ออะไรเราจเจริญสติจเจริญสมาธิไปเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายของการสำรวจการชำระสารกิเลสเราก็จะถึงเมื่อเราถึงแล้วเราก็จะรู้เองไม่มีใครประกาศให้หรอกเพราะเรานั่นแหละประกาศเองเห็นเอง รู้เองทำความเข้าใจได้เองขณะที่เรายังไม่รู้จักแนวทางเราถึงได้สแสวงหาคนา้นคว้าที่โน้นบ้างที่นี่บ้างเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเราก็ย่อมจะเข้าใจเราฝักใฝ่ในธรรมเราย่อมจะรู้ธรรมฝักใฝ่ในโลกเราก็ย่อมจะเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ สมมุติกับวิมุติก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละจิตกับกายก็อาศัยกันอยู่เมื่อกายแตกดับนั่นแหละเขาถึงจะได้ไปจริงๆแต่เวลานี้เรามาทำความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาสร้างความรู้ตัวเข้าไปแยกแยะด้วยสติด้วยปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าหมดลมหายใจนั่นแหละเขาถึงจะได้แยกออกจากกันจริงๆ การได้ยินการได้ฟังการได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมการเริ่มลงมือจริงๆแล้วบางคนบางท่านก็ลงมืออยู่แต่ยังไม่ต่อเนื่องเราพยายามทำให้ต่อเนื่องตัวสุดท้ายตัวการเจริญสติการเจริญสมาธิการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์การแยกรูปแยกนามคลายความหลง คลโมหะตรงนี้แหละคนเราไม่ค่อยจะสนใจกันเพราะว่ากิเลสมันต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ ง, ง่ายๆเขาก็หาเรื่องมาฉุดมารังเอาไว้สารพัดอย่างที่เขาจะฉุดจะรังเอาไว้ถ้าเราไม่มีความพยันหมั่นเพียรจริงๆก็ยากอยู่เหมือนกันถ้าวิบากกรรมสมมุติไม่คลายมันก็ยากอีกนั่นแหละเราก็ต้องพยายามต่อสู้แก้ไข ปรับปรุงตัวเรารู้จักใช้ตัวเราให้ได้รู้หาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดไม่ใช่ว่าจะไปนึกด้นเดาเอาตามกิเลส ข, ของตัวเราให้เชื่อฟังคาสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามให้รู้ให้เห็นเสียก่อนท่านถึงบอกให้เชื่ออีกครั้งให้เดินตามทางเส้นนี้นะเราเดินตามทางที่ท่านบอก ถ้าถึงจุดหมายแล้วแยกรูปแยกนามได้แล้วหมดความสงสัยหมดความลังเลมีแต่จะเร่งทำความเพียรให้ถึงจุดหมายปลายทางช่วงที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้มีแต่นิวรธรรมต่างๆมากันกั้นเอาไว้เพราะกิเลสมารต่างๆอย่างหยาบละเอียดมาปิดกั้นเอาไว้เพราะว่ากิเลสมารเขาก็ไม่อยากให้จิตของเราตกไปสู่กระแสธรรม ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ฝืนอารมณ์ฝืนความคิดจนจิตตกกระแสทำเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ในการละกิเลสแล้วก็ช่วงนั้นแหละจะสนุกก็พยายามกันนะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระยะหนึ่งเสียก่อนนะถึงเราไม่ได้สร้าง ก็ให้สร้างขณะที่นั่งอยู่นี้แหละให้ระลึกรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะ น, นี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบใบจมูกของเราอย่างเดียวเหมือนกับนายประตูทวารที่คอยสังเกตว่ารถคันไหนวิ่งเข้าก็รับรู้อยู่ รถคันไหนวิ่งออกก็รับรู้อยู่อะไรจะเข้าจะออกก็รับรู้อยู่เราพยายามสร้างให้เกิดความเคยชินทุกเรื่องในชีวิตเราต้องแก้ไขตัวเราเองหมด